ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนนับถือพุทธศาสนามากแล้วก็เขาไม่ได้สนใจแค่พิธีกรรมนะสนใจเรื่องสมาธิภาวนาด้วยนันก็จึงมีสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยกระจายอยู่ทั่วอเมริกาส่วนใหญ่ก็ขารวะ ด, ดูแลนะเพราะเขาไม่ค่อยมีพระ นะสถานปฏิบัติธรรมที่ไม่ใช่เป็นวัดนะส่วนใหญ่สมาคมนี่เ็ก็เป็นเจ้าของแล้วก็บริหารกันนะในรูปของกรรมการสมาคมอันนี้มีสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเนี่ยนะเขาสนใจนะอยากจะให้สมาชิกเนี่ยนอกจากรู้เรื่องสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยยังอยากจะให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธนะีเพราะว่าความขัดแยง้งยนี้เกิดขึ้นนะไปทั่วแล้วคนก็ไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขแม้แต่ความขัดแย้งในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกหรือระหว่างสามีภรรยาบางทีมันก็กลายเป็นความรุนแรงนะด่าทอต่อว่าทำลายข้าวของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน หรือในที่ทำงานเขาก็เลยนะเชิญวิทยากรมาให้การอบรมนะเกี่ยวกับทักษะการแก้ไขความขัดแยง้งด้วยสันติวิธนะีซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สอดคล้องกับคำสอนของนะพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่ก็พระองค์ก็สอนนะว่าเนี่ยไม่ให้ใช้ความรุนแรง ให้ใช้ความดีเอาชนะความชั่วความโกรธชนะความไม่โกรธอันนี้แหละคือพื้นฐานสันติวิธีวิทยากรที่มานี่ก็ก็ไม่ใช่ชาวพุทธนะคือฝรั่งเดี๋ยวนี้ที่ไม่นับถือศาสนาก็เยอะก็มาอบรมนะสองวันวันแรกก็หลาบรื่นดยดีนะวันที่สองเนี่ยวิทยากรก็ บอกว่าเนี่ยจะจะให้มีกิจกรรมสมมุตินะโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าบทบาทสมมุตินะโเรเลร์บทบาทสมมุติก็คล้ายๆละครแต่มันไม่มีบทให้ท่องนะมันต้องว่ากันต้องต้นกันสดๆบทบาทสมมุติเนี่ยสถานาการณ์ก็คือว่ามีผู้ก่อการร้ายนะจับตัวประกันมาสองคนนะ วิธีกรก็สมมติตัว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะแล้วก็มีผู้อบรมสองคนนะนะมาสวมบทบาทเป็นตัวประกันนะถูกขังอยู่ในมุมห้องส่วนคนที่เหลือก็ให้มาช่วยกันเจราจากับผู้ก่อการร้ายนะว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะปล่อยตัวประกันได้นะ พอแจกบทแล้วก็เล่าสถานการณ์เสร็จก็ก็เริ่มต้นเลยเริ่มต้นยังไงนะผู้ก่อการลายนี้ก็สูบบุหรี่จุดบุหรี่สูบคนในห้องก็โวยเลยนะว่าจุดได้ยังไงนะนี่มันห้องสวดมนนะ่ะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานะเรามีกฎห้ามสูบบุหรีในห้องสวดมนนะ่ะลองนึกภาพเมือเกิดมีคนสูบบุหรีในออตไเนี่นะ มัน ค, คลายกันเนะ่ะหรือมันยิ่งกว่า น, นั้นสิพูกก่อการละบอกว่ากดระเบียบแรงคุณผมไม่สนใจนะผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสินนะ้นเนี่ยว่าแต่ว่าคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะมาเจราจาเรื่องไม่สุบรี่หรือว่าจะเจราจาเรื่องการปล่อยตัวเพื่อนคุณไป ที่เหลือก็ไม่ยอมแล้วก็ลบเล่าให้ได้วันเนี้ยสูบบุหรี่ไม่ได้ในห้องนี้นะเราเป็นห้องส่วนบนห้องทำสมาธิผู้กแระรอกก็ได้ก็ได้นะผมไม่สูบบุหรี่ก็ได้ว่าแล้วก็เดินไปที่พระพุทธรูปแล้วก็บี้บุหรี่นะตรงพะเพลาหรือตักของพระพุทธรูปก็โกรกันใหญ่เลยคราวนี้นะโกรธกันใหญ่เลยเพราะมีคนตะโกนขึ้นมาว่า คุณทำอะไรเนี่ยนี่มันพระพุทรูปนะผู้ก่อกัรละก็บอกว่าผมไม่สนใจพระพทธูปของคุณผมไม่ได้นับถืออยู่แล้วนะผมไม่สนใจเนี่ยตกลงเนี่ยนะคุณยังจะเจราจาเรื่องปล่อยตัวประกันหรือเปล่านะถ้าคุณไม่สนใจเจราจาปล่อยตัวเพื่อนคุณผมก็จะกลักแล้วอีกคนนึงก็ไม่ยอมนะนะคนที่เหลือก็ไม่ยอมนะ ก็โวยวายว่าเนี่ยทำยี่มาถูกที่ไหนมีคนหนึ่งเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า น, นีเา่เราก็รู้นะคุณไม่ใช่พุทธนะแต่คุณก็ควรจะขอรบสถานที่เนะี่ยเราเชิญคุณมาเพื่อมาอบรมสันติวิธีคุณควรจะขอรบสถานที่ของเราพระพุทธรูปของเรานะพอพูดอย่างนี้เข้านะ วิทยาผู้ ก, ก่อการร้ายเนี่ยก็พูดว่าคุณอยาให้ผมเคารพสถานที่หรือเนี่ยอยากจะรู้ว่าผมเคารพสถานที่ยังไงว่าแล้วก็เดินไปที่ใกล้ๆนะที่พระธารุ่มนะแล้วก็ฉี่ตรงมุมห้องคราวนี้ทุกคนนีตะลึงเลยนะตกใจโมโหทุกคนนี่ต่างกลูวกันนะไปที่ตัววิทยากรที่สมมติเป็นผู้ ก, ก่อการร้ายนะแล้วก็เตะต่อยนะ มันคนก็ถีบนะเป็นพันละวันชุลมุนเลยผู้ก่อการร้ายนีนะ่สุดท้ายก็รอดเอาตัวรอะมาได้แล้วก็หนีไปเลยก่อนจะหนีก็บอกว่าเนี่ยให้ตัวประกันเป็นอิสระแล้วนะเรื่องก็จบเท่านี้นะคราวนี้มันน่าคิดนะว่าทำไมการอบรมสันติวิธีเนี่ยมันจึงลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรง นะคนที่มาอบรมเนี่ยก็อยากจะเรียนรู้เรื่องสันติวิธีถึงก็ไปเชิญวิทยากรมานะแต่ทําไมเนี่ยถึงลงเอยด้วยการเตะถีต่อยวิทยากรนะทั้งที่หลายคนเนี่ยก็เป็นพวกที่พวกรักสันติบางคนก็กินมังสวิรัติมาหลายปีนะยุงก็ไม่ตกนะแต่ทําไมถึงไปเตะไปถีน ะ, ะคนอื่นเท่านะ เกิดอะไรขึ้นนะทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงข้ามกับความกับนิสัยใจคอหรือว่าตรงข้ามกับสิ่งที่เรามุ่งมากปรารถนาอยากจะเรียนรู้เรื่องสันติวิธีนะแต่ว่ากลายเป็นลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงนะถามว่าตัวประกันได้อิสระไห้ก็ได้นะแต่ว่าถ้า ถ้าให้คะแน น, นก็เรียกว่าทั้งชั้นตกนะเพราะว่าไม่ได้ใช้สันติวิธีทำไมันเป็นเช่นนั้นนะก็เพราะว่าเนี่ยความลืมตัวเมื่อเห็นสิ่งที่ตัวเองคารพเนี่ยเช่นพระพุทธ ร, รูปเนี่ยหรือสถานที่เนี่ยถูกจ่วงจากเนี่ยนะเนื่องจากมีความยึดติดถือมั่นนะ ในสถานที่มากมีความยึดติดในภพทนรูปมากว่าเป็นสิ่งที่ต้องควรเคารพนะพอสิ่งที่ตัวเองนับถือสิ่งที่ตัวเองเคารพเนี่ยมันถูกกระทำเนี่ยหรือถูกปฏิบัติด้วยความไม่สุภาพเนี่ยนะก็เกิดอาการลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยก็สามารถจะทำสิ่งที่ไม่เคยทำหรือไม่คิดว่าจะทำ นะหรือทําสิ่งที่ตรงข้ามกับความปรารถนาของตัวก็ได้อยากจะไม่เลยเรื่องสันติวิธีนะแต่ว่าลงเอ่ยในการใช้ความรุนแรงเนะี่ยความลืมตัวมันเกิดเพราะความยึดติดถือมัน่นะยึดติดถือมั่นในเพระพุทธรูปยึดติดถือมั่นในความถูกต้องนะมันก็น่าคิดนะว่าเมื่อเจอความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ย ก็อยากทำให้มันถูกต้องเมื่อเขาสูบบุหรี่เมื่อเข า, าไม่เคารบพพระพุทธรูปเมื่อเข า, าฉี่ในห้องสวดมนต์เนี่ยอันนี้คือความไม่ถูกต้องนะแต่ที่จริงมันเป็นความไม่ถูกต้องที่เขาแกล้งทำนะวิธีการเขาแกล้งทาเขาแกล้งทาเพื่ออะไรเพื่อเขาแย่แย่ว่านะเราจะคุมอารมณ์ได้ไหม เพราะสันติวิธีเนี่ยมันต้องใช้มันต้องมีการควบคุมอารมณ์ด้วยแต่คนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นนักปฏิบัตินะทำสมาธิภาวนา ม, มาเยอะนะแต่พอเจอการยั่วยุแบบนี้เนี่ยสติแตกนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ฝึกสติมาเพียงพอนะอาจจะฝึกแต่สมาธินะพอเจอสิ่งยั่วยุเขา้านะสติเอาไม่อยู่เห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่ตัวเเคารพนะ อยากจะทำให้มันถูกต้องแต่สุดท้ายกลายเป็นทำความไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความไม่ถูกต้องที่มันรุนแรงกว่าที่มันแยก่กว่าอีกฝ่ายนึงด้วยนะอีกฝ่ายนึงก็แคนะ่แค่ทำสิ่งไม่ถูกต้องกับวัตถุนะแต่ว่าชาวพุทธกลุ่มนี้นี่อยากจะรักษาความถูกต้องแต่สุดท้ายกลายเป็น ทำความไม่ถูกต้องให้เกิดขึ้นนี่เป็นโทษของความยึดติดถือมั่นนะแม้แต่ยึดแม้แต่การยึดติดถือมั่นในความถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดโทษได้พระุทธเจ้ตาตรัไว้นะว่าญ้าคาเนี่ยถ้าจะไม่ดีก็บาดมือนะความเป็นสมณนะถ้าบรรญญัติรักษาไว้ไม่ถูกนะมันก็ฉุดให้ลงนรกหมายความว่าอะไรหมายความสิ่งที่ดีเนี่ยนะ หรือสิ่งที่ดูจะไม่มีพิดไม่มีภัยเนี่ยถ้าปฏิบัติผิดมันก็เกิดโทษได้เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะการเคารพพระพุทธรูปการเคารพสถานที่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าไปยึดติดถือมั่นมากๆเนี่ยมันสามารถจะชักนำให้ไปสู่ความไม่ดีได้นะนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่า คนเราเนี่ยนะเวลาเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่ระวังตัวนะเราเองนั่นแหละจะทําให้เกิดความไม่ถูกต้องที่ยิ่งกว่าที่เราเห็นหรือที่เร า, ารับรู้ได้ซ้ำนะแล้วความไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากความยึดติดถือมัน่นนะอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นบทเรียนนะที่มันเตือนใจเราในเมื่อแลวสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์สมมุตินะในโลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอมีเหตุการณ์ทำนองเนี่ยว่าสิ่งที่เรานับถือสิ่งที่เราผูกพันสิ่งที่เราเคารพเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เห็นเหมือนกับเรานะแล้วก็บางทีเขาก็ทำ ด้วยความไม่รู้บ้างหรือด้วยเจตนาบ้างเรียกว่าย่วงจาบดูมินนะเท่านี้เนี่ยเมื่อมันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำให้ความถูกต้องเนี่ยมันกลับคืนมาเนี่ยก็ต้องมีสตนะิเราก็ต้องใช้ความถูกต้องนะใช้สิ่งที่ดีงามเนี่ย นะเข้าไปแก้ไขไม่ใช่ว่าพอเขาทำไม่ถูกเราก็เลยถือสิทธิ์ว่าฉันก็ต้องนะทาไม่ถูกกับแกบ้างนะเช่นชนแล้วหนีนะจับมาได้มาชนรถชั้นนะมาชนท้ายรถชั้นเนี่ยลดราคาแพงด้วยมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็หนีไปแต่ว่าเจ้าตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ ก็รวผิดนะก็กลับมากลับมาเพื่อจะขอโทษขอโพยเนะจ้าของรถนี่ไม่พอใจมากนะรถเป็นรถคันโปรดด้วยนะใจจะสลายเลยนะเห็นรถนี่มีรอยขูดรอยรอยบุกก็เป็นลากคอคนขัมบาามอเตอร์ไซค์มามาตบมาต่อยแล้วก็พูดว่าเนี่ยทำไมถึงหนีทำไมถึงหนี คือต้องการสั่งสอนนะว่าชนแล้วย่าหนีแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยนะมันแย่กว่าชนแล้วหนีนะเพราะว่าชนแล้วหนีนี่มันก็แค่ทำลายทำให้ลดบุญนะแต่ว่าไปต่อยเขานี่มันผิดกฎหมายยิ่งกว่าการทำให้ทรัพย์สินเสียหายเนเมื่อเขาทำไม่ถูกนะเราก็อย่าพลอยทำไม่ถูกซ้ำเติมก็ไปใหญ่นี่ต้องระวังนะ ม่วความยึดมั่นในความไม่ความยี่มันในความถูกต้องเนี่ยเช่นชนแล้วยันหนีเนี่ยนะอันนี้คือความถูกต้องเป็นมารยาของสังคมในเมื่อเราเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งดีที่ควรจะเคารพดีแต่ถ้าไปยึดมั่นมากๆเนี่ยระวังนะว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ทำความไม่ถูกต้องคนที่สองแล้วก็ทำหนักกว่าเดิมนะ บางทีเราเห็นลูกนะลูกทําไม่ดีนะเราเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธ ร, รมโมนะอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีมีศรรมีลแต่บางทีลูกก็ไม่เอาฐานอาจจะไม่ถึงกับสำไมเลยเท ม, มานะแต่ว่าไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ชอบเถียงพ่อแม่นะหรือว่าอาจจะกลับบ้านดึก ง, งานการหรือการ บ, บ้านก็ไม่ค่อยทํา นะพ่อก็ว่าลูกก็เถียงนะพ่อยิ่งโกรธใหญ่นะว่าเนี่ยคนดีเด็กดีก็ไม่เถียงพ่อนะก็เลยใช้ความรุนแรงนะตบันทีตบตบหน้าลูกหรือว่าตีลูกนะหรือถือไม่ตีไม่ตบแต่ ด, ด่าแรงๆเนี่ยนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแนละ้วนะลูกทำไม่ดีนะ ก็ไม่ไแปลว่าเราจะมีสิทธิ์นะทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือทําในสิ่งที่แย่กว่าแต่นี่มันก็เป็นพ่อความยึดมั่นถือมันนะยึดติดในความดนะีพอยึดติดในความดีแล้วอยากจะให้ลูกเนี่ยดีเหมือนตัวหรืออยากจะให้ลูกเนี่ยดีอย่างที่ตัวเองคิดพอลูกไม่ดีเนี่ยก็โกรธนะใช้ความรุนแรงด้วยวาจาบ้างนะด้วยการกระทําบ้าง มีพ่อคนหนึ่งนะเสียใจนะลูกเนี่ยไปชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนครูใหญ่ก็มาแจ้งเนะพราะการต่อยในโรงเรียนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะครูใหญ่ก็มาแจ้งผู้ปกครองพอลูกกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะพ่อก็ว่าลู ก, กทำไมถึงไปไปต่อยเขาลูกก็บอกว่า เป็นพ่อเพื่อนเนี่ยนะมาดูถูกเหย็ดหยามมากแกล้งนะพ่อก็บอกว่าเขาแกล้งเราก็ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงก็พูดกันดีๆนะใช้สันติวิธีนะเขาทำไม่ถูกนะเราก็อย่าไปทําผิดนะซ้ำสองลูกกระเถียมเขาบอกว่าจะยอมไม่เขาทำยอมไม่เขาแกล้งเราที่ยังไงนะเขาก็จะหาว่าเราเป็นคนอ่อนแอ พอเราถ้าเราปล่อยเขาทำเขาก็จะหาว่าเราหน้าตัวเมียพ่ อ, อกเขาว่าเราก็ช่างสิแต่เราต้องหนักแน่นอดทนลูกก็ไม่พอใจเพราะเนี่ยมันทำนี้มันยามคิดหน้ากันพ่อเขาบอกว่ายังไงก็ต้องทนนแล้วคนดาว่าเราเป็นลูกเป็นคนหน้าตัวเมียก็ต้องยอมลูกก็เลยโมโหว่าเนี่ยก็พ่ อ, พอทําอย่างงี้นะพ่อเนี่ยก็เป็นคนขี้ขลาดเหมอือนกัน ใครๆก็ว่าพ่อหน้าตัวเมียเหมือนกันพ่อโกรธมากนักตบลูกเลยพ่อสอนให้ลูกใช้สันติวิธีนะแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะใครว่าเราอย่าอย่าไปโกรธนะแต่พอลูกไม่สันติวิธีนะพ่อโมโหนะตบลูกเลยเนี่ยนี่พ่ออะพ่อยึดมั่นในสันติวิธีพ่อยึดมั่นในสันติวิธีมากพอลูกไม่ยึดมั่นเหมือนพ่อนี่ยพ่อโกรธะถามเถียงพ่ออยู่พ่อตบเลย นะยึดมั่นอะไรก็ตามนี่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมากนี่มันจะกลายเป็นทรรตรงข้ามนะพะ อ, อะไรรู้ไมเพราะว่าเวลายึดมั่นเนี่ยมันจะมีความยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูมันจะมีตัวกูเข้ามานะพอมีตัวกูเข้ามาเนี่ย น, นี้อันตรายแล้วเพราะว่าบางทีนี่เราคิดว่าเรากำลังปกป้องความถูกต้อง แต่ที่จริงเรากำลังปกป้องตัวกูมากกว่าหรือก็เรากำลังแก้แค้นเพราะตัวกูถูกกระทบไม่ใช่เรานับถือพระพุทธรูปเราก็นับถือว่าเนี่ยพระพุทธรูปของกูพระพุทธรูปของกูนะพอมีคนมาทำไม่ดีกับพระพุทธรูปเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้สึกว่ากูเนี่ยถูกคุกคามกูเนี่ยถูกท้าทายมันมีตัวกูเข้ามาแทรกนะซึ่งทำให้เกิดความลืมตัวทาให้เกิดความโกรธ สิงที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อปกป้องประทัวรูปนะแต่ปกป้องตัวกูหรือว่าแก้แค้นนะที่ตัวกูเนี่ยมันถูกดูถูกดูหมิ่นเยียดหยามอันนี้เป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากนะที่เราต้องหันมาใคร์ครวนนะทุกครั้งที่มีความยุดติดถือมั่นเนี่ยมันจะมีตัวกูของกูนี่เข้ามาแทรกแล้วก็เข้ามาบงการเดีย๋ยวว่าแต่สิ่งที่เรานับถือนะ ถูกคุกคามแล้วถูกจ้วงจาบเลยเวลาเรานับถืออะไรนะหรือนับถือใครก็ตามถ้าคนคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราเราก็โกรธนะเราไม่ใช่โกรธเฉพาะคนที่ทำไม่ดีกับสิ่งที่เรานับถือหรือกับคนที่เรานับถือแม้แต่คนที่เรานับถือเองเนี่ยเขาทำไม่ถูกใจเราเราก็โกรธนะอย่างในสายพัฏฏกาเนี่ยนะมี มีคราวหนึ่งนะักพระสายฤบุตรเนี่ยกำลังจะจาลิกไปที่ไกลพระในวัดเชตวันนีก็มาเข้าแถวนะคอยส่งนะอันนี้เป็นธรรมเนียมเข้าแถวคอยส่งพระสายฤบุตรนักท่านเป็นคนสุภาพนะเวลาเดินเมื่อก่อนที่จะเดินออกเนี่ยก็ทักทายทักทายพระที่มายืนรอส่งท่าน ถามชื่อถามโคดนะถามวงตระกูลก็ถามเนี่ยกับทุกคนนะแต่มีคนหนึ่งนะเขาเคารพพระสายลูบุตมากเลยแต่ว่าพระสายลูบุตเดินผ่านไม่ทักเขาไม่ถามเขาเขาโกรธ น, นะเขาโกรธมากเลยพระเออเนี่ยชายจีวานพระสยลูบุตเนี่ยไปถูกตัวเขาเขาเลยหาเหตุนะใส่ร้ายพระสายลูบุตว่าเนี่ยทำร้ายเขา ไปฟ้างุเจ้าเนี่ยพระไศรุตรทำร้ายอาฆาพระองค์นะก็เลยต้องมีการไต่สวนกันสุดท้ายเนี่ยก็พระไศรุตรก็ก็บริสุทธิ์นะแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยทาไมคนที่ศรัทธาพระไศรุตรเนี่ยจึงลงเอ่ยด้วยการใส่ร้ายพระไิบุตศรัทธาเนี่ยก็มันน่าจะเป็นเมื่อศรัทธาใครก็น่าจะยอมใครทําอะไรก็ยอม ใครทำอะไรกับเราก็ยอมใครก็จะว่านะครูบาอาจารย์จะว่าเราเราก็ยอมอันนี้เรียกว่าศรัทธาแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอศรัทธาแล้วเนี่ยนะศรัทธาใครก็ตามเนี่ยยิ่งศรัทธามากๆก็อยากจะให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญกับเราถ้าไม่ศรัทธาพระไตรปุณนะพระสตรบุตณ์เดินผ่านพระรุ่นนั้นกคงจะเฉย แต่พราะศรัท ธ, ธามากก็อยากให้พระไตรปิฎกให้ความสําคัญกับเราไอ้ตัวที่อยากให้ความสําคัญกับเราคืออะไรคือตัวกูนะม น, นะอยากจะให้พระไตรปิฎกให้ความสําคัญกับตัวกูแต่พอพอระไตรปิฎกเดินผ่านไอ้ตัวกูก็โกรธนะโกรธหาทางแก้แค้นนะคนเราเป็นอย่างนี้เยอะนะศรัท ธ, ธาใครก็ตามเนี่ยพอครูบาอาจารย์เนี่ย พูดไม่ถูกใจเราเช่นอาจจะตำหนิอาจจะทักท้วงโกรธเลยนะจากความรักความเทิดทูนกลายเป็นความคิดแค้นเทวทัตก็เป็นเหมือนกันนะเทวทัตเนี่ยนะอยากจะได้รับความยอมรับจากผู้เจ้าทีแรกก็าจะศรัทธานะถึงออกบวชเนี่ยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นศัตรูผู้หมายพร้อมพระพุทธเจ้า พระรูปนึ่งนะชื่อพระสุภัทธะนะก็สัทธาผู้เจ้านะเมื่อทราบผูเจ้าจะเสด็จมาในเมืองของตัวเองเนี่ย <c oughs> ก็กระตือรือร้นนะนะบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนให้มาเตรียมอาหารมาถวายท่านบางทีก็ไปบังคับเขาเลยนะให้เตรียมอาหารมาถวายพูเจ้าตัวเองเนี่ยถึงกับลงมือนะปรุงอาหารเองเลยพ <c oughs> ูเจ้าทราบนะเมื่อลงทราบพวกก็รั่วไม่ถูกต้องนะไป ไปเก่งคนไปบังคับให้มาถวายอาหารพระองค์พวกก็เลยเดินผ่านไม่ได้ขอดรับอาหารจากจากสพุพระสุภัทธะพระสุภัทธะก็ก็โกรธนะโกรธเลยนะที่พระองค์เดินผ่านก็เพราะเห็นว่าสิ่งที่พระสุภัทธะทาไม่ถูกต้องแต่พระสุภัทธะนี่มองไม่เห็นโทษของตัวเองนะโกรธแค้นผู้เจ้า พอวันหนึ่งเนี่ยได้ข่าวพระเจ้าปณิธานนะก็ดีใจเลยนะบอกกับพระมากระส ป, ปะว่าเนี่ยกับพระที่รู้ข่าวนี้ซึ่งกำลังเศร้าโศกเสียใจว่าเศร้าสเสด็จใจไปทําไมตอนนี้นะพระเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วตอนที่พระองค์อยู่นี่นะพวกเราเดือดร้อนกันมากเพราะพระองค์คอยห้ามโนนห้ามนีตอนนี้พระองค์ไม่อยู่แล้ ว, ว, วเร า, เ ม, า, ามีาม อ, นนม อ, อ, มอิสระแล้วจะเสียใจไปทําไมนะ อันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากความรู้สึกแค้นพระองค์อันนี้แหละคือที่มาที่ทําให้พระมหากษัตริยเนี่ยเห็นความสําคัญของการสังเกตนานะจึงมีสังเกนาสามเดือนหลังจากพุทธปริิพานธ์ซึ่งในแง่นึงก็ต้องขอบคุณนะพระสุภัทธะเนี่ยเพราะถ้าทำไมพูดแบบนี้นี่พระมหากษัตริยก็ไม่มีความคิดนะว่าจะให้มีการสังเกนาอันในแง่นี้ก็ต้องขอบคุณพระสุพัทธะ แต่ประเด็นคือว่าเนี่ยคนที่เคารพพระเจ้ามากๆเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นแค้นนะยิ่งเคารพมากเนี่ยยิ่งต้องระวังนะเพราะว่าไอ้ตัวกูของกูมันจะเข้ามาแทรนะมันจะเข้ามาแทรกเคารพนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่มีสติมันจะเข้ามาแทรกตัวกูอาจารย์ของกูแล้วก็ปรารถนาให้อาจารย์ของกูเนี่ยให้ความสําัญกับตัวกูนะพออาจารย์นี่ไม่ให้ความสาคักับกู แถมว่ากูซะอีกนะโกรธเลยเนี่ยตัวกูมันสั่งเลยว่าต้องหาทางแก้แค้นให้ให้ให้สะสมในความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อสิ่งของบุคคลนะต้องระวังเพราะว่ามันสามารถทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้แม้ว่าสิ่งที่เรานับถือเนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีนะ แต่พอไปยึดถือเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นการชักนำให้เราเนี่ยทําผิดได้หลวงพ่อเฟื่องนะโชติโกเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่ ม, มั่นเนยคยกล่าวไว้ถึงความเหี้ยงเราจะถูกนะแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดแต่ถ้าเรายึดเข้าไว้มันก็ผิดนะที่จริงนี้พูะเจ้าก็ตับไปนานมาแล้วนะว่าเนี่ย ทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระองค์เปรียบว่าทำพระองค์เนี่ยเหมือนกับแพนะที่พาพาเราเข้าถึงฝั่งพอถึงฝังแล้วเนี่ยคนฉลาดเขก็เดินขึ้นฟังเลยแต่คนโง่นี่ก็ยังแบกแพรขึ้นฝังแล้วพระองค์ก็เลยอุปมาว่าเนี่ยทำพระองค์เนี่ยเหมือนกับแพรที่พาขึ้นฝั่งไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนภาษาอะไรกับอัธรรมอัตธรรมยิ่ไม่ต้องพูดถึงนะ เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเรานับถือหรือศรัทธาอะไรก็ตามเนี่ยนะก็ต้องให้มีสติอย่าให้มันกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นไปเพราะถ้าเป็นฉชนนั้นเนี่ยตัวกูของกูเนี่ยมันจะเข้ามามาครอบงำแล้วก็ชักนำให้เราทําสิ่งที่ไม่ถูกได้โดยเพราะความโกรธความเกลียดเวลาคนเขาไม่เคารพเขา เขาจ้วงจากเขาดูหมิ่นสิ่งที่เรานับถือหรือคนที่เราศรัทธาเนี่ยคนธรรมดาก็ต้องมีตัวกูนะพอเจอเหการณ น, นี้ก็าจะโกรธแต่ก็ให้มีสติเอาไว้พอถ้ามีสติในความโกรธเนี่ยดื้อหน้างตัวกูมก็จะทําให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนะขอทําไม่ถูกเราก็ต้องแก้เราก็ต้องทวงติง่ง แต่ถ้าเราไม่ระวังตัวเรานั่นแหละนะที่จะกลายเป็นคนทําไม่ถูกซะเองและเป็นความไม่ถูกที่มันยิ่งกว่าที่คนอื่นทำซะอีกอาชาติเด็กผูดกัณฑ์นี้นะกราบพระ